ดีชีท้ทางบรรเทาทุก์บรรลุซึ่งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา ว่วงใยดังลูกแท้ๆเฝ้าอบรมดูแล ต้อฟังที่เคารพคะ่ะเรามาพบกันในวันที่สภาพแวดล้อมน่าจะชอบกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเนี่ยอารมณ์จะดีแต่หมายความว่าคงจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอถึงจะรู้สึกมีความสุขคนที่เขามีเครื่องนุ่งห่มไม่พออันี่ก็อาจจะหนาวแล้วมีความทุกข์เห็นไหมคะความสุขของคนหนึ่งมันก็เป็นความทุกข์ ของอีกคนหนึ่งได้เราจะอยู่อย่างไรในสภาพที่จะต้องเจอทั้งสุขและทุกนี้ก็ต้องฟังรายการสัมสีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุ FM 106รครอบครัวข่าวและก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติค่ะดิฉันเองเนี่ย <c oughs> ก็เป็นคนทันสมัยพออากาศเริ่มเย็นนิดนิดหน่อยๆนยก็มีอาการเจ็บคอนะครแล้วก็ ชักกำเริบ ม, มาแปลกๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเสียงแหบเพราะว่ามันติดเชื้อแล้วเชื้อโรคมันก็ชอบเข้าไปที่คออาจจะรู้ว่าเป็นจุดที่จะทำให้เราได้พักผ่อนจริงๆมั้คะเพราะว่าเท น, นเมคนใช้เสียงบ่อยถ้ า, ามไม่มีเหตุไม่สบายก็จะมีคนน้อนคนนี้ช่วยให้ไปทำนู้นน ach, ี่นี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสียงอยู่เสมอก็เลยไปได้ความรู้จากทางโรงพยาบาลมานะคะว่าคนป่วย ในช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีจำนวนมากเลยที่ติดเชื้อในลำคอแล้วมักจะเสียงแหบแล้วถามว่าทำอย่างไรนะคะก็ต้องไปหาหมอถ้าสมมติมันเป็นมากแล้วยิ่งช่วงนี้นี่ต้องคอยสังเกตการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและใครต่อใครช่วยกันให้ข้อมูล น, นะคะว่าไข้หวัดที่เรากลัวคือ2009เนี่ยเป็นเป็นอาการชนิดไหนอย่างไรทีนี้คุณหมอเขาบอกว่ากรณี แบบที่ฉันแล้วคงจะมีใครเป็นคล้คลายๆเนี่ยนะคะก็คือในเมื่อมันเกิดการอักเสบในคออาจจะใกล้บริเวณสายเสียงมนุษย์เราจะพูดได้เขาบอกมันมีสายเสียงอยู่สองสายถ้าเรียบมันจะกระทบกันแล้วเสียงใสน ะ, ะแต่ถ้ามันบวมขึ้นมาเนี่ยเสียงมันจะแหบหรือถึงอาจจะพูดไม่ได้ทีนี้วิธีการเรื่องก็ถามท่านบอกเอบ่า e, ยนี้เนี่ยได้รับมอบให้เป็นผู้ถามคาถา ม, ถาม ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบ น, นะคะเคยมีคณะของการบินไทยประมาณ80สคนเนี่ย<บ>เขาไปปฏิบัติธรรมกันอยู่เราก็อยากจะไปร่วมขอรับบุญนิดๆหน่อยๆก็ถามคุณหมอว่าเฮ้ยถ้าฉีดยาตอนนี้อีกสองชั่วโมงเนี่ยหายไหมคุณหมอว่าเออถ้าสเตียรอยนี่มันใช้ได้เลยนะแต่คุณหมอก็ไม่แนะนำบอกว่ า, าถ้าสมมติว่าใช้วิธีทานยา แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนไม่ต้องพูดมันน่าจะกลับมาดีขึ้นได้แล้วก็น่าจะดีกว่าการที่ไปฝืนในขณะที่สายเสียงมันยังบวมอยู่แล้วควรที่จะให้มันยุบกันตามธรรมชาติมากกว่าใครที่มีอาการแบบนี้ดิฉันเสริมอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าการจิบน้ำเป็นประจำเนี่ยมันจะช่วยทาให้คอเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ระคายพอไม่ระคายมันก็ไอน้อยลงมาถึงวันนี้เนี่ย ดีขึ้นต้องบอกว่าเกือบร้อยเอร์เซนเลยนะคะทั้งท้งที่เสียงไม่มีเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันเสืนค่ะก็เอาเป็นว่าดีใจที่อย่างน้อยยังมีเสียงที่จะมาจัดรายการพบกับท่านุ่งฟังเป็นประจำอย่างที่เราเคยพบกันได้อากาศเย็นๆแบบนี้ดิฉันเข้าใจว่าท่านที่อยู่ในบ้านเมืองที่เหนือเหนือขึ้นไปหรือว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะก็คงจะ เย็นกว่าพวกเราไม่น้อยอเมื่อตอนก่อนจะมาจัดรายการฉันมีเพื่อนนะเป็นนายตำรวจอยู่ที่จังหวัดเลยท่นก็โทรมาท่าบอกโอ้ยอากาศเย็นดีจังเลยนะเนี่ยน่าจะมาเที่ยวกําลังสวยแล้วก็จะได้นี้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเย็นเย็นสบายใจดีบ้านเมืองเหล่านี้ก็คงจะมีใครไปกันเยอะหรอกนะคะแต่สําหรับท่านที่ไม่มีโอกาสไปรับรู้ด้วย ัาษะทางผิวหนังของท่านเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะกลับเรียนถามพระาอาจารย์ไพบูลอภิปุลโนซึ่งท่านก็คงพร้อมเต็มทีแล้วนะคะที่จะมาตอบคำถามของพวกเราในช่วงเวลาของถามโลกตอบธรรมค่ะสรรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลซุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา สวัสดีครับผมพิษนุนเองกรดวันนี้ผมมาแนะนําทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแค่ฝากสลากออมสินพิเศษชมหมายอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคนก็มีสิทธิ์ลุนลุเบ้นถึง10คันฟังไม่ผิดหรอครับรุนเบ้นเดือนละคันสเดือนสุดท้ายลุ้นเดือนละ3าคันรวยแถมลุนในวันที่1ร้อยยล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุ้นรุนเบ้นก่อนถึงสามสในสายหยปิดน่นะโทรเลย1นึ่ห้า ถ้าท่านฟังกำลังฟังรายการสันสนิษฐานาและดิฉันสันสนิษฐานพงนะคะเราก็มาพูดคุยสนทนากันแล้วก็ฝากธรรมะให้ท่านเอาไปไว้ใช้ในชีวิตประจําวันกันวันละเรื่อง2เรื่องสามเรื่องแล้วแต่ความเหมาะสมโดยมีพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนนะคะสำหรับวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ที่จะเป็นพูดที่มาให้ความกระจ่างเราว่าพระพุทธเจ้าในธรรมวินัย ที่พระองค์ได้ฝากเอาไว้ให้กับพวกเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างที่จะมาใช้กับเรื่องที่เป็นประเด็นขึ้นมาได้นำมัส ก, การ์ค่ะท่าอาจารย์คะเจอเจริญพรค่ ะ, ท, คะที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีนี่ตอนนี้เย็นไหมคะอ้อากาศเย็นมากาประมาณสิบองศ า, าเท่านั้นเองหรือต่ํากว่าในตอนเช้าเช่ะน้ําเปิดออกมาจากท่อ น, นี่โหเหมือนน้าเย็นเลยโอดีเลยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ําเย็นได้ <c oughs> <c oughs> บางทีก็ต้องหาน้ำอุ่นมาอาบก็ต้องต้มน้ําต้มอะไรกันบางทีค่ะแล้วมีความรู้สึกว่ามันอยู่สบายมากกว่าตอนที่อากาศร้อนไหมคะเออมันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่พระเจ้าว่า ค, คือพระเจ้ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยบัญญัติเรื่อง เ, ออเรื่องการให้ภิกษุเนี่ยมีผ้ากี่ผืนเนี่ยโดยอาศัยเหตุที่ว่าอ อ, ออกไปอยู่ข้างนอกในฤดูหนาวอยู่ในข้างนอกอากาศเย็นนะแล้วก็ อ่าตลอดคืนแล้วกลับมาก็เลยบอกกับพาะอนุนมากเอ๊ะเรารู้สึกว่าที่สุดในธรรมะวันนี้ยเป็นบุคคลกลัวความหนาวก็เลยอนุญาตให้มีผ้าสามผืนอ๋อเป็นที่มาแห่งผ้าสามผืนใช่โดยที่ไม่มีเหตุอะไรเลยโดยที่ไม่มีเหตุอะไรเลยไม่ไดมีใครมาขอร้องหรืออะไรตามนี้คือเป็นเรื่องที่แปลกมาเหมือนกันแปลกเพราะแปลกเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นอริยะประเฮณีที่ว่า พระพุทธเจ้าจะบัญญัติวิัยจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีเหตุปรารภเหตุขึ้นมาก่อนมีแค่สองเรื่องที่ว่าไม่ได้ทรงปรารภเหตุขึ้นมาคืออยู่ๆก็บัญญัติเลยคือเรื่องผ้าสามผืนกับเรื่องการให้สวดปฏิโมทุกึ่งแห่งเดือนอแต่ามีสองเรื่องท่งนานเองที่ออกมาคุณพรมว่าเอออยู่ๆพระพุทธเจ้าก็บัญญัติขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีเหตุอะไรโอเราก็เลยได้ความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นท่านไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วก็คิดว่าจะต้องออกกฎ ระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้มากํากับกันแต่ต้องมีปัญหาขึ้นมาก่อนท่านก็เลยคิดเพื่อที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีกอย่างนันใช่ไหมคะถูกต้องยกเว้น2เรื่องยกเว้น2เรื่องนี้ค่ะโดยเฉพา ะ, ะเรื่องที่เรากําลังพูดกันอยู่ก็คือเรื่องของความหนาว ก, ก็เลยเกิดผ้าเลยผ้าไตรใช่ไหมคะาสามผืนเน่ยสาผืนก็จะมีผ้าหม่มผ้าคลุมแล้วก็ผ้านุ่งสาผืนท่านขาถามเป็นความรู้นิดหนึ่งนะคะในกรณีถ้าะจะให้ถูกต้องตามอริยวินัย ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยนอกเหนือจากผ้าสามผืนนี้บางครั้งเราก็เห็นพระภิกษุที่อยู่เมืองหนาวๆเนี่ยท่านก็อาจจะใส่มันถ้าเป็นพวกชาวบ้านเราเรียกว่าหมวกนะคะะแต่บางทีก็เห็นเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันอันนั้นนี่ถือว่ามีพุทธบัญญัติอย่างนี้ว่าอพระภิกษุเนี่ยไม่ควรนุ่งห่มอย่างอย่างก็ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นของกระดิษ์ใช้เนี่ยเช่นเสื้อแจ็คเก็ต เสื้ออ่ากางเกงลองจร อ, อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรออกมาใช้ค่ะเพราะวมันจะเป็นอย่างก็ได้หายไปแล้นก็ใช้หลักที่พระมีเนี่ยบางทีก็เป็นเสื้อตัดแขนบ้างเสื้ออ่าสีแบบที่ชาวบ้านเขาไม่ใช้กันบ้างอะไรอย่างนี้ก็อนุโลมได้แต่ถ้าใส่หมวกเนี่ยพระเจ้าห้ามไว้ในกรณีที่ว่าเป็นเสกียวัตรก็คือว่าไม่ให้สวมหมวกเข้าไปในบ้านแต่ถ้าสวมอยู่ที่วัดป้องกันความหนาวเนี่ยไม่ผิดที่ไหนหรอค่ะไม่งั้นก็แย่เลยนะคะเป็น พ, พระจะต้อง ทนหนาวมันก็ไม่ถูกต้องพ่าพระพุทโธองค์นี้ไม่เน้นเรื่องของการทรมานร่างกายก็จะจะสังเกตว่าหมวกที่พระใส่เนี่ยก็จะไม่มีลวดลายอะไรมากอย่างอย่างที่คารวะเขาทำเป็นลวดลายมีตุ่มตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นไหมพรมที่ท่านพูดนี่หมายถึงไหมพรมใช่ไหมคะใช่ใหมวกไหมพรมค่ะแล้วเรื่องความหนาวเนี่ยที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่นะมีอีกหลายประเด็นค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าในฤดูหนาวเนี่ยผ้าย้อมน้ําฝาดคือผ้าผ้าทีวันของเราเนี่ย ก็เป็นของที่เย็นค่ะคือถ้าถ้าพ้าด้วยกันเนี่ยจะทราบเลยผ้าผ้าที่เราย้อมมาอย่างดีด้วยด้วยแกนขนุนหรือว่าด้วยสีตามธรรมชาติเนี่ยพอไว้ในฤดูหนาวเนี่ยพอไปจับทนี้โอ้โหมันเย็นเข้าไปถึงกระดูกเลยอย่างนั้นเหรอคะอ๋อมันเย็นจริงๆเพราะว่ามันมันไม่ได้ป้องกันอะไรมากมันเป็นผ้าบางๆค่ะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือพระที่อธิบายความหนาวเย็นเนี่ยของฤ ด, ดูหนาวเนี่ยก็คือเก็บเสมือนว่า พื้นดินเนี่ยเวลาท้าไปบินตาบาทเนี่ยพื้นดินเนี่ยจะแข็งแล้วก็เป็นคมค ม, มขึ้นมาคือเราตอนแรกอธิบาก็ไม่ทราบนะว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้ า, าถึงอธิบายอย่างนี้แต่พอเราไปเดินบินตาบาทในฤดูหนาเนี่ยทราบเลยเพราะว่าในฤ ด, ดูฝนเนี่ยเวลาโควัวควายใช่ไหมเขาเดินไปทำนาเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยที่ก่อนที่จะเป็นถนนลูกรังเนี่ยมันจะเป็นถนนสมัยก่อนจะเป็นถนนทางเกวียน ซึ่จะเป็นดินแบบเละๆใช่ไหมแล้วพอวัวควายเดินไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเท้าวัวรือเท้าควายเต็มไปหมด mm hmm. แล้วพอฤดูหนาวเนี่ยอากาศแห้งสนิทไอ้พวกดินเนี่ยที่เป็นรอยเท้าโคเนี่ยมันแข็งเป๊กขึ้นมาเลย <Okay. S 2> แล้วผิวดินเนี่ยเป็นคมตามรอยเท้าโคออ uh huh. แล้วเวลาเราเดินไปปินบาบเนี่ยรอยเท้าโคมันสั้นกว่าเท้ามนุษย์จะหลบยังไงมันก็โดน uh huh. oh. แลอวก็วัวควายเป็นร้อยๆตัวเนี่ยมันไม่มีทางให้หลบได้ก็ต้องเดินลุยไป ทีไ่ได้บอกว่าพิกษุผู้ที่เรียกว่าผ้ายอมน้าสายก็เป็นของที่เย็นเวลาเดินไปบินนบาดเนี่ยก็ต้องอดทนเพราะความคงของพื้นดินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อย่างทางกายอย่างนี้เนี่ยแต่จิตก็มีความสุขอยู่ในความสุขที่เกิดจากความสงบได้ค่ ะ, ค, ะคือถ้าเป็นสมณะของพระพุทธองค์แล้วมีวิธีที่จะไม่หนาวเย็นทรมานด้วยการที่ ดูแลที่จิตกำกับที่จิตอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นผู้อดทนเป็นผู้เข้าอยู่ในวิหารธรรมสงบคือสมาธิได้อย่างรวดเร็ ว, เ, รวเลยทำให้จินตนาการบ้านดอนหายโศกที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่นะค ะ, ะน่าจะเป็นชนบทหรือเปล่าคะมันก็เป็ <c oughs> นชาวไร่ชาว น, น, นาทํานาทำสวนอะไรกันไปอ๋อค่ะค่ะถ้าจะค่เรื่องหนาวยังมี พุทธวัตรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรอีกหรือไม่คะเอ่อก็มีเท่านี้ก็เลยเลยพบว่มมาพระเจ้าเวลาอธิบายอะไรเนี่ยได้ระเบียบขั้นตอนบทเพียรชนะเนี่ยสวยงามมากมค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งจะได้ฟังกันอยู่ บ, บ่อยๆนะคะในรายการนี้สัมสีิส น, นาเรื่องที่ดิฉันเห็นว่าอยากจะหยิบยกมาสนทนาในวันนี้เนี่ยคนจริงเราพูดกันบ่อยหลายครั้งมากคือเรื่องการฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่วายนะคะที่จะ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วทําให้เราสลดสังเวชแล้วก็เป็นห่วงใหญ่สังคมแล้วก็คิดว่าเป็นธรรมะที่น่าที่จะใช้น่าจะหาธรรมะที่มาใช้ในเชิงป้องกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กที่เขารู้เท่าไม่ถึงการนะครับผู้ใหญ่เนี่ยทั้งรู้เลยก็ยังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไอ้ความรู้สึกที่อยากฆ่าตัวตายนี้ได้ ม, มันเกิดขึ้นสามกรณีนะคะท่านกรณีหนึ่งเนี่ย เป็นกรณีที่เกิดกับเด็กอบอกว่าพ่อแม่แยกทางกันคุณอาเป็นผู้หญิงเลี้ยงนะคะแล้วได้พบว่าเด็กคนนี้ขโมยของได้อย่างคาหนังคาเขาของเพื่อนบ้านเป็นรถบังคับวิทยุเป็นเด็กผู้ชายก็คงอยากจะเล่นแล้วก็สุดท้ายไปโรงเรียนแล้วก็ไปผูกคอตายหลังโรงเรียนส่วนอีกกรณีหนึ่งลงสุพิมันนี้เลยนะคะบอกว่าเป็นเด็กผู้หญิง อายุ13ปีดันอาจจาะหัวข่าวนะคะน้อยใจไม่จัดวันเกิดหนีขึ้นห้องผูกคอตายอนาถอันนี้เป็นการพาดหัวของนักสืพิมพ์มติชนในวันที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าเคยมีการจัดวันเกิดแล้วปีนี้พ่อแม่ไม่พร้อมจัดงานวันเกิดให้เช่นทุกปีข่าวเขียนแบบนี้นะคะแต่ใช้เชือกเส้นเล็กตำรวจบอกว่าอาจตั้งใจแค่ประชดแต่ต้องมาตายจริง อันนี้เป็นกรณีที่สองกรณีตัวอย่างที่สามนี่เป็นดาราเกาหลีค่ะแต่เป็นดาราเกาหลีที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตั้งแต่คุยอยู่หลายปีนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งเป็นนางแบบให้สินค้าดังๆชาแนล alexander m c q u e e n แล้วก็เป็น งานแบบระดับหัวหน้าของงานแฟชั่นวีคทั้งที่มิลานปารีสและลอนดอนนะคะเพิ่งโชว์ตัวในงานแฟชั่นใหญ่โซแฟชั่นวีคไปเมื่อไม่นานเป็นคนสร้างหนังวิดีโอเป็นนั ก, ว า, ากวาดภาพขออภัยเขาวาดภาพค่ะแล้วก็เป็นเป็นบล็อกเกอร์ตัวยง <c oughs> เธอเขียนไว้ในบล็อกของเธอบล็อกนี่จะเป็นพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตนะคะท่านวางังสามารถที่จะสื่อสารความเป็นเรา ถ่ายทอดถึงกันขอคนอื่นได้เธอเขียนบล็อกเอาไว้ก่อนเสียชีวิตแบอบกว่าหดหูแทบบ้าและทํางานมากเกินไปอีหัวข้อเขียนว่ายิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งว้าเวมากขึ้นเท่านั้นฉันรู้ว่าฉันเป็นเหมือนผีไปแล้วและพอวันเดียวก่อนที่จะเสียชีวิตก็เขียนข้อความว่าสวัสดีต่อความเป็นนิรันด์มีความเชื่อว่าตายแล้วเป็นนิรันด์มังคะเนี่ยค่ะท่านคะ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนอะใช่มีเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันสลดใจอย่างเด็กผู้หญิงคนที่ตำรวจเขาเห็นว่าเชือกเล็กแล้วอาจจะไม่ตั้งใจฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายต้องตายไปเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายมากดิฉันต้องขอพูดภาพรวมนะคะไม่เจาะจงไปที่ใครว่าเราจะตั้งข้อสังเกตถ้าทางโลกเนี่ยเราก็ไม่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเลี้ยงลูกมาโดยความรักมากทะนุถน อ, อมจนไม่ได้มี การที่นึกถึงว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ขัดใจไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เรามาฟังวิธีกระบวนการการทางจิตที่พุ <c oughs> พทธิยถาอธิบายว่าทำไมบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงทํทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป <c oughs> พรทธิยถาบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายทั้งไม่ใช่ของบุคคลเ่าอื่น <c oughs> กายนี้เป็นปฏิจจสมุปป น, นธรรมคืออาศัยการและการเกิดขึ้นด้วยคําเนี้ยทำให้เราพบว่ากายเนี่ย ที่เราอยู่เนี่ยที่เราจับนั้นมีตัวเราแขนเราขาเราเนี่ยไม่ใช่ของเธอนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราฆ่าตัวตายเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังฆ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการทำปาณาติบัตเป็นบาปค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นไปทางไปสู่นิรันดร์อะไรซึ่งคือเป็นบาปแน่นอนการฆ่าตัวตายแต่าามาเพราะมันไม่ใช่ของเราการภาคชีวิตสัดผู้อื่นการเสียเอาทรัพย์นจ้อของไม่ได้ให้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบาปทีนี้ว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปแล้วเพราะว่า ไม่ใช่ของเราที น, นี้พระเจ้าบอกว่าอ ะ, อะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยถึงคฆ่าตัวตายมีพระสูตรหนึ่งพระเจ้าบอกว่าทุกทั้งหมดรวมกันลงที่เวทนาแล้วก็ยังพูดอีกในที่หนึ่งที่พูดถึงเวทนาเนี่ยบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยได้รับทุกขเวทนาอันปวดแสบเผ็ดร้อนแทบจะนําไปเสียซึ่งชีวิตเพราะว่าคนที่ค่าตัวตายเนี่ย เจอทุกเขเวทนาที่ทนได้ยากปวดแสบเป็นร้อนทนได้ยากไม่สามารถทนได้ตายดีกว่าเป็นลักษณะของอไม่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปเป็นวิภววัตัหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแตอยากจะไปหาที่อื่นอยู่ดีน่าจะดีกว่าคิ่าอย่เพราะนั้นปัญหารเรื่องนี้ก็คือว่าเขาเจอเวทนาที่เขาทนได้ยากเพราะนั้นเวทนาของเขาเนี่ย เกิดมาจากอะไรเพราะว่าการที่เขามีภาษาไปรับรู้ไปผูกยึด ต, ติดในเรื่องของการมันเกิดต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เท่านั้นพอมันเป็นไปโดยประการอื่นอย่างที่เขาคาดหวงังใช่ไหมความทุกเกิดขึ้นทันทีมีเขาเรียกว่ามีอ่า uh, discrepancy มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวงังกับสิ่งที่เป็นยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์มากเท่านั้นเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเอ่อเวทนาที่ทนได้ยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ย บุคคลผู้นั้นเนี่ยจะทำอย่างไรอืมอา่ามีได้สองสามวิธีนะพระพุทธเจ้าพูดถึงอา่าพูดถึงปุถุชนธรรมดาที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยพอเกิดความทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็แล้วแต่เนี่ยก็จะไปพยายามจะสแสวงหาความสุขอื่นๆภายนอกเป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแลนะในขณะที่ บุคคลที่ได้เคยฟังธรรมเนี่ยหรือได้ฝึกปฏิบัติมาบ้างเนี่ยถ้าสามารถหาความสุขจากในภายในได้คือความสุขที่ไปจากสมาธิค่ะทีนี้ในกรณีของบุคคลที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยพอไปหาความสุขภายนอกไม่ได้อย่างที่หวังก็ถูกเกิดความทุกข์ขึ้นอีกค่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำนล้วซ้ำเล่าลก็ทนได้ยากบายบาดีกว่าเราหนีค่ะก็เป็นการออตอบในส่วนของนางแบบไปด้วยที่ ไปแสวงหาความสุขจากสิ่งอื่นยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งว้าวเวมากขึ้นเท่านั้นใช่ได้ด้วยเลยนะคะท่านใช่เออแล้วก็วิธีอวิธีแก้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ายิ่งได้มากแล้วมันจะยิ่งเบาคือยิ่งได้มากยิ่งนะักเอ่อคอนเซ็ปต์ของพระพุทธเจ้านี่ก็คือว่ามีน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น<ะ>เข้าใจไหมมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นมีมากไม่ดีมีมากจะนํามาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าอพระ มีน้อยที่สุดเท่าที่มีได้อะไรน้อยที่สุดเท่าที่จมีได้ในทางร่างกายแปดอย่างคือบริการแปดข่าสามพืนจีบอนบาาอะไรขต่างเท่านี้แล้วก็ทางใจทํำยังไงเอา pues. kind of ความอกุศลทำทั้งหลายไม่ไมเอาเอาไว้แต่กุศลทำนี่ก็จะเป็นสมาธิระดับที่หนึ่งความคิดทางเป็นกุศลก็แล้วแต่วิตกวิจารณแล้วก็ไม่เอาจะเป็นสมาธิระดับที่สองอย่างนี้ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนถึงสมาธิที่ลึกซึ้นขึ้นขึ้นไปพระเจ้าก็จะบัญญัติว่า ไอสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยคือการที่จิตไปเคลื่อนจับรู้นั่นนี่มากขึ้นเนี่ยทำให้จิตเนี่ยอยู่นิ่งมากขึ้นมีการรับรู้น้อยลงเนี่ยจะเป็นความสุขที่มากขึ้นค่ะก็ท้าทายมากนะคะสำหรับคนที่ทั้งชีวิตเข้าใจอยู่แต่ว่าความสุขต้องได้มาแม้กระทั่งตัวของดิฉันเองนะคะก็ยังยอมรับว่ายังมีความคิด เยอะแยะเลยที่อยากมีความสุขจากสิ่งที่ยังไม่ได้แล้วอยากจะได้มา<ด>ก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ทดลองนะคะพวกเข้าคอสปฏิบัติธรรมนี่ก็จัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นได้เหมือนกันนะคะเพาต้องโอ้ยไหนจะอดข้าวนะจะถือศีลดีเวลาหมดค่ะท่านคะ <laughs> วันนี้ขออนุญาตจบห้วนเลย<ด>นะคะก็ใครอยากฟังพระจันทร์เพริบูญนอภิปุณโญวัดปอดปาดอนหายโศกอุดรธานี พรุ่งนี้ท่านก็มาพบกับเราอีกนะคะวันนี้นมรด ก, การขอพระคุณค่ะถามโลกตอบถามท่านฝังที่เคารพค่ะท่านฝังรายการสันสนีสนทนาซึ่งมีดิฉันสันสนีนาคพงดํดำเนินรายการกรามาถึงช่วงเวลาสำคัญที่หลายท่านรอคอยนะคะอยากจะรู้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระชาติอย่างไรมาบ้างแล้วก็ดีที่สุดแม่นยำที่สุดก็คือการฟังจากพระโอษฐ์จากพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ค่ะพระพุทธองค์นั้นเคยทรงบังเกิดเป็นมหาพรหมคือเท้าสากกะมาแล้วนะคะตรัสแก่พิสุทิ์ทั้งหลายว่าแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอดเจปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอดเจ็สังวาตกับ และวิวัติกับในระหว่างการอันเป็นสังวัติกับนั้นเราได้บังเกิดในอาพัสระพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัติกับนั้นเราก็ได้อยู่พรมวิมานอันว่างเปล่าแล้วภิกษุทั้งหลายในกลับนั้นเราได้เคยเป็นพรมได้เคยเป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงามได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภิกษุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดา นับได้3 6ครั้งเราได้เคยเป็นราชาจากกระพัดผู้ประกอบได้ธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุดทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอ ที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์ ม, มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกเราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้วิบากกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานการให้ 1. แห่งธรรมะการบีบบังคับใจ 2. แห่งสัญญะการสารวมระวัง ท่ฟังที่ครบคะ่ะพระพุทธองค์เห็นไหมคะว่าได้ทรงกระทําในสิ่งที่ท่านใช้คําว่าวิบากกรรมแต่เหมือนกับเป็นการบําเพ็ญบา ร, รมีนะคะถ้าบอกว่าผลวิบากแห่งทานคือการให้แห่งธรรมะคือการบีบบังคับใจข่มใจแห่งสัญญะคือการสํารวมระวังสามอย่างนี้แหละเป็นสามอย่างที่สําคัญก็เลยทําให้ได้ไปเกิดเป็นพรหมนะคะ เท้าส ก, กะคงจะเคยได้ยินกันถึง36ครั้งก่อนที่จะมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนี่ก็คือพุทธประวัติจากพระโอษในภาคหกนะคะก่อนหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าถ้าท่านอยากจะอ่านคําของพระพุทธเจ้าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นธรรมวินัยจากพุทธโอษในหนังสือพุทธวัตฉบับเก้าย่างอย่างพุทธะที่เรายัางแจกให้อยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะ ดังัก็จะขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ทางท่านประธานสนิบาสหากรณ์แห่งประเทศไทยคือด็อกเตอร์มังครัต ผ ก, กรเนี่ยนะคะก็ได้แจ้งมาว่าขอเชิญให้สหากรทั้งหลายส่งผู้แทนสหกรณ์มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2552โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานีตั้งแต่เช้า8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ติดต่อขอนังซื้อฟรีวันละ5เล่มคือหมายเลข 02-269 ส และ02 269 0060ค่ะวันนี้ได้เวลาพอดีเป้งเลยนะคะก็ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปกับรายการสันนีสนธนาและดิฉันสันนีนาคพง์นะคะสวัสดีค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันนีสนธนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสันนีนาคพง์ที่นี่ สททรอ f m 6มวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน